พระธรรมเทศนาแผ่นที่101อดลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านานคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าความสุขแค่เม็ดงาขาริ้นวันนี้เป็นวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 พวกเราได้เตรียมงานเกี่ยวกับทำบุญรวมญาติหรือว่าทมบุญเกี่ยวกับวันมาฆะบูชามาหลายวันและก็พร้อมกันก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ช่วยกันทำงานเกี่ยวกับบรณปฏิสังขรณ์ที่น้ำท่วมในวัดของเราก็ ตั้งแต่วันที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่8ที่9พฤศ จ, จิกายนจากนั้นก็เราก็เริ่มลงมือทำปลายปลายเดือนพฤศ จ, จิกาพฤศจิกาธันวามกร า, านะกุมภาก็จนูนก็งานก็ไปได้เรื่อยๆแต่อีกไม่นานคิดว่าน่าจะเรียบร้อยหเห็นหมู่พกเพื่อนมาช่วยงานก็รู้สึกว่า ทำความด้วยความตั้งใจทำด้วยความตั้งใจงานก็ไหลลื่นไปเรื่อยๆจวนส่วนกำแพงก็จอดกันแล้วแต่ยังเหลือแต่ข้างในพวกสะพานพวกถนนแล้วก็สะพานบางจุดที่มันทะลวงที่น้ำมุดพวกเราก็ยังไม่ได้ทำแต่เป็นงานเบาขึ้นมาแล้ว แต่ขีง้งานหนักใจแต่ในหัวสะพานเนี่ยแหละเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ลงไปดูหัวสะพานเน่ที่น้ำกัดลิแบแผลบวหวะไปหมดจุดนี้คงจะได้ใช้แนวความคิดจ น, จนจะได้ใช้จตุปัจจัยพอส่งผวนจุดนี้อันนี้ก็คืองานภายในวัดของเราเหมือนกับรังต่อรังแตน ที่มันมีพายุพัดทำให้หลังแตกพวกเราพึ่งหลังทั้งหลายพึ่งงานทั้งหลายต่อแตนแม่งานทั้งหลายก็ต้องช่วยกันนี่ก็นี่แหละต่อเติมก็จวนจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ยังอยู่เป็นบางส่วนแล้วกพวกเราก็ได้มาร่วมกัน จัดงานทาบุญประจำปีที่พวกเราได้กะเกณกันไว้ว่าเป็นการทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณลของวัดทุกปีแต่วันนี้ก็เป็นวันนี้แหละแล้วงานก็รู้สึกรู้สึกว่าสำเร็จรุ่วงไปด้วยดีก็ไม่มีปัญหาอะไรราพรื่นแล้วก็ เรื่องที่ผมปาลบบ่อยๆก็คือเรื่องเสาเข็มฐานฐานพระเจดีย์ของหลวงตาก็งานเรื่องเสาเข็มก็จวนจะจบแล้วนะจวนจะเก็บแล้วละ่ะ30สกว่าล้านสาบสองล้านก็คิดว่าไม่กี่วันคงจะจบแล้วแต่ส่วนจะปิดบัญชีหรือไม่อันนั้นสุดแท้แต่เรา เ, เป็นผู้สนับส น, นุนอ แต่เมื่อวานนะี่พวกเราได้โอนไปอีกนะโอนไปล้านสองนห้ามื่นโอนครั้งก่อนสองล้านเราโอนครั้งที่สองอีกหกแสนกว่าโอนครั้งที่สามเมื่อวานนะี่หนึ่งล้านสองแสห้าหมื่นรวมกันแล้วก็3สามล้านกว่าเกือบสี่ล้านนะจะตุปัจจัยที่ผ่านวัดของเรา เอสู่บัญชีเสาวเข็มก็ให้พวกเราพระสงฆ์ทั้งหลายทุกองคนะในรับรู้รับทราบร่วมกันอันนี้คือจตุปัจเจียอติเลกลาบมันผ่านวัดของเราผ่านเข้ามาเราก็ทําบุญไปอันนี้ก็พระสงฆ์ทั้งหลายก็ควรจะรับรู้รับทราบร่วมกันและวันนี้เป็นวันมาฆบูชาที่พวกเราได้ลงอุโบสถจบลงสักครู่นี้ แล้วก็เย็นนี้ก็คงจะมีการเวียนพระทักษิณรอบประพุทธปฏิมาเคารพสักการะตามวันมาฆบูชาที่พวกเราเคยทำมาทุกปีเย็นนี้แล้วก็พร้อมกันก็ขอให้พระพวกเราทุกๆองค์เข้มแข็งสรุปแล้วเรื่องทาวรวัตถุกการก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวง ที่สมพานที่นั่งอยู่ด้วยณที่นี่ก็หลายองค์เพราะพวกท่านได้ลงร่วมอุโ บ, โบสถแต่ถึงยังไงพวกเราอยา่าไปเน้นเรื่องทางด้านวัตถุมากจนเกินไปพอเป็นพอไปแล้วครับเพียงบ่อย่างวัดของเราเนี่ยถ้าเราจะสร้างให้มากกว่านี้ได้นะทำไม่ตึ้งเป็นตัวตึกก็ได้แต่นี่ดูสิกุฏิของเรากุฏิท้าวรมีกี่หลัง โดยมากจะครึ่งไม้ครึ่งปูนที่พวกเราใช้อยู่เป็นถาวร์ไหมผมมองดูไม่ใช่ทาวร์ักหลังนะพอพร้อมทีมมันจะพังทลายได้ไม่กี่วันเพราะมันเป็นอาคารไม้นะข้างบนแต่ถึงยังไงก็ตามเราผมก็เองก็ไม่ได้หนักใจเพราะ น, นี้คือถาวรวัตถุต่อไปภายภาคหน้าถ้าหาว่ามีพระอยู่ขึ้นมา ที่มาอาศัยที่เป็นเจริญรุ่งเรืองไปเขาก็คงจะประดิษฐ์คิดขึ้นทำทำขึ้นมาอันนี้คือถาวรวัตถุเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่นสถานที่ใดกันนะอย่าไปคิดมุ่งเรื่องทาวรวัตถุหรือเรื่องวัตถุภายนอกให้เน้นทางด้านจิตทางด้านใจออจะดีกว่าทําไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร ทำคําสอนของพุทธะเนี่ยท่านก็ไม่ได้เน้นทางด้านทางวัตถุนะท่านเน้นทางด้านจิตใจจะทํำยังไงใจของเราจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหะคือจุดประสงค์ใหญ่ของพระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรารขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่างวันพระวันนี้ละ่ะวันมาฆบูชาเนี่ยหลวงพ่อเอง ผมเองอยากจะให้พวกพระลูกพ้าหลานพระน้อยหนุ่มอยากจะให้ทดลองอให้ทํเอาเนเอาในจิในชใดูซิเดินกับหนังไม่นอนอตลอดคืนเดินกับหนังเท่านั้นแต่อย่าไปคุยกันนะห้ามคุยกันถ้าคุยกันไปว่าหาทางออกของกิเลสเดินไปคุยกันเล่นไม่เอา เราให้ดูใจของตนเองแนะในคืนนี้ในวันนี้ตั้งแต่ตั้งอาติตตตั้งจิตอธิษฐานเลยละ่ะข้าพเจ้าจะเอาอริยบทสองยืนกับนั่งจะไม่นอนจากนั้นเราก็เดินเลยจะนะเเดินเดินเดินาบางทีผมเดินตลอดทั้งคืนผมยังเดินนะเดินสี่ห้าหกทุ่มผมก็ยังเดินห้าหกเจ็ดชั่วโมงยังเดิน จากนั้นก็นมานั่งพอมานั่งมันง่วงลงไปเดินนี่แหละอยากจะให้พวกเราการทำความภาคเพียนควรจะมีหนักควรจะมีเบานะ่ะไม่ใช่ว่าจะเบาอย่างเดียวไม่ได้เออแล้วเหยื่อลอยลงไปเป็นวันๆไปไม่น่าจะถูกเพราะเราพวกชีวิตของพวกเราก็ผ่านทางโรคมาพอสมควรเกือบจะวัดทุกองค์เพราะว่าทุกวันนี้ไม่ไมเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเคยบว เป็นสมันสมมาเนนสัมเณนน้อยนะแล้วก็บวชต่อมาก็บวชเป็นพระอย่างผมไม่เคยผ่านทางโลกแต่นี่พวกเราโดยโดยมากที่มองมองเห็นเนี่ยเกือบจะว่าปริญญาตรีโทรกันทั้งนั้นเคยผ่านทางโลกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาเรื่องทางโลกมาเขี้ยวเอื้อกเพราะเราผ่านมาแล้วถ้ามันเป็นสวรรค์พิมานมันก็คงจะเป็นมาแล้วละ่ะอันนี้พวกเรามองเห็นเลย เราเห็นแล้วว่าโลกมันเป็นยังไงมาถึงจุดนี้เราจึงจะถอยหลังกลับไปเขี่ยวเอื้องอีกเรืออีกหรือเราจะเอาเรื่องทางโลกมาพูดมาสนทนาภายในวัดอีกหรือเนี่ยมันไม่สมขวนยิ่งที่จะต้องเอาเรื่องเรื่องกิเลสมาพูดภายในวัดเราควรจะเอาเรื่องทำจะทำชำระใจยังไงจึงจะพ้นทุกข์จะทำใจยังไงจึงจะให้จิตใจสงบ จะทำจิตใจยังไงจึงจะเห็นรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะร่างกายของเราเนี่ยทั้งร่างตั้งแต่หัวจดเท้านี่เราพิจารณาดูสิจุดไหนคือความความความมั่นคงจุดไหนคือที่จะเป็นสาระแกนสารจุดไหนในร่างกายของเราขนาดร่างกายของเรายังหาสาระแกนสารไม่ได้แล้วภายนอกละ่ะ เราคิดดูสิอันไหนคือสาระเงินคำทรัพสมบัติยศถาบรนดาศักดิ์อย่างนั้นใช่ไหม เ, เป็นสาระแกนสารมองดูสิมองดูให้ดีสิมองดูด้วยปัญญานะถ้าพวกเรามองเห็นมองดูด้วยปัญญาแล้วเราจะเห็นได้นะเว้นเสียแต่เรามองด้วยกิเลสถ้าลองมองด้วยกิเลสมันจะมืดมัว ก, กึมกึมกุ้มกุ้มกุ้มกุ้มกํากึมกึมกึมกึมไป เออมันมองด้วยกิเลสถ้ามองด้วยธรรมแล้วจะเห็นชัดเจนร่างกายของเรามีอะไรหนักพึ่งปาถนามั้ยต่อไปเป็นยังไง้านเราต่อไปเป็นไงต้องแก่แล้วก็ต้องตายพอตายแล้วทิ้งกระดูกเอาไปเผาไฟทิง้งเริงไหมคิดดูให้ดีถ้าเมื่อคิดดูดีแล้วนะอะไรคือสาระของชีวิต อะไรคือประโยชน์ของชีวิตคิดดูให้ดีนะเมื่อกันกรองไตรทองดูดูด้วยเหตุผลใจของเราจะเห็นเห็นสัจธรรมคือของจริงเราจะต้องเห็นอเนจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์แล้วก็อนัตตามิชัยตัวตนของเรามันก็ปล่อยวางไปทีละน้อยละน้อยพอมองเห็นแล้วมันกักทายจิตใจมันไม่รู้จะยึดไปอะไรไม่รู้จะสแสวงหาอะไร ไม่รู้จะแสวงหาความสุขด้วยเรื่องอะไรเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ เ, เราเป็นนักพลดนักปวดต้องคิดต้องใช้ปัญญาคิดกันไกกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลนี่แหละอันนี้แหละคือปัญญาถ้าจะว่าปัญญาวิปัจจนาหรือก็อไม่น่าจะผิดอีกเหมือนกันนะเพราะเราพยายามเห็นตามความเป็นจริง มันเป็นจริงอย่างนั้นไหมหรือโ ก, โกหกตัวเองที่คิดอย่างงั้นนะโกหกตัวเองใช่ไหมที่คิดอย่างงั้นนะฮะมันไม่ใช่โกหกเราของจินแท้แน่นอนอนะเกิดอาจจะเกินกว่าที่เราคิดทีท้วยซ้ำไปฮะมันเกินกว่าความคิดตนเองที่ด้วยซ้ำไปอันนี้เราคิดเพียงย่อๆแยะๆเท่านั้นเองนะแต่เรื่องมันเจองพอมันเกิดขึ้นมาแล้วนะ่ะหงายหลังพึ่งเลยทีนีน้ไม่รู้อะไรตัวไม่อะไรจับ ต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันนะเประฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาททางโลก เ, เรื่องการงานเรื่องอะไรก็ตามอันนั้นคือเป็นปัจจัยอาศัยชั่วครัง้งชั่วข่าวชั่วการเท่านั้นเองเอไม่ใช่เนื้อหนังไม่ใช่ไม่ใช่จุดยึดของจิตใจของเราไม่ใช่แกนสารไม่ใช่สาระแกนสารสาระคือธรรมคือความปล่อยวางคือความไม่ยึดมั่นถือมั่น เห็นตามความผิดเป็นจริงนั่นแหละคือจุดที่พวกเราต้องการเกิดความเบื่อหน่ายคลายแล้วจะจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารอันนั่นแหะคือจุดประสงค์ของเราให้พวกเราคิดนะคิดแล้วก็ทบทวนทบทวนการกรองไต่ตองด้วยเหตุด้วยผลกันแล้วกรองอีกกรองแล้วกันอีกหลายหลายรอบนะเพราะว่ากิเลส ของเรามันติดพบติดชาติมันมาแต่นู่นตั้งแต่วิญญาณเกิดใหม่นะตั้งแต่เป็นไส้เดือนตั้งเป็นตัวบุ่งตัวหนอนมันก็มีกิเลสราคะโทสะโมหะมีการผสมพันธุ์กันมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวเล็กตั ว, ตวน้อยตั้งแต่บุ่งตัวหนอนจากนั้นกันนะเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นมากันมีตลอดจนเป็นมนุษย์จนเป็นถึงเทวดานะ เทวดาก็มีนะ เ, เรื่องกามกคิเลตนะ์มีแต่พรมนะอยู่ด้วยปีติสุกเอกคตาอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยผลสมาธิอยู่ด้วยอาการแห่งความสงบของจิตคือเหมือนกับสีลาและหินทับยาไว้นะยามันเกิดขึ้นมาแล้วหินทับไว้นะแต่ยังไม่ถอนหลากถอนโขนนะแต่พอเปิดหินออกมาเท่านั้นละ่ะยาเดี๋ยวโหงอกงาม ยิ่งกว่าเก่าอีกนะอันนั้นคือสมาธิหรือพรมนะแต่ในพวกเราพระพุทธเจ้าท่านให้ถอนถอนลากของยาทานถอ น, ถอ น, ถอนยากถอนลากถอนโคนนะไม่ใช่เอาหินทับไว้เฉยๆสหินคือสมาธิคือฌานคือทําจิตใจให้สงบอย่างพรมนะพรมเลยเพราะว่าขึ้นไปเกิดเป็นพรมนะครับว่าหินทับยามีแต่ปีปีติสุขเอกขตานะ แต่สวรรค์ลงมาแล้วสวยด้วยกามกิเลสเ ร, รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะตลอดถึงสปปรรพสัตว์ทั้งหลายชั่วไตรโลกธาตุมีทั้งหมด เ, เหลืองกิเลสกา ม, มัตต์ตารัคะราคะโทสะโมหะโลกโกรธลงนะมันอยู่ในกิเลสเพราะนั้นพวกเรานะอยู่ในวังวนตัวนี้อยู่เพราะนั้นให้พวกเราพิจารณาดูให้ดีนะ ดูให้ดีจุดจุดนี้นะดูใจของตนเองนะ่ะมันติดข้องของ้ของกับตัวไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการมมากิเลสตัวนี้ล่ะสําหรับพระนะเอทั้งที่มันผ่านมาแล้วเอมันก็นยังกลับไปเคี้ยวเอื้องอีกเอมันยังไม่เห็นโทษอีกมันยังเข้าไปอีก เ, อเรื่องกิเลสกามมรรคตัวเนี้่เพราะมันติดพพติดชาติอย่างที่ผมว่านะ่ะ มันติดมาตั้งแต่ตัวบุกตัวนอนแต่ตัววิญญาณเกิดมันมันติดมาไม่รู้เท่าไหร่เป็นเทวดาก็ยังมีเออแล้วก็เป็นพรมเท่านั้น่ะอทีว่าระงับดับไว้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะนั้นพวกเราเป็นนักพรตนักบวชอย่างนี้แหละอยู่ในป่าดงพงไพ่อย่างนี้แหล ะ, ใ, ลงงยยละให้ช่วยกันให้ให้พวกเราดูนะดูจุดที่ผมบอกจะให้ดูนะอร่างกายสังขารของเราสวยงามที่ตรงไหน ของเขาล่ะของเราล่ะมันมีตะกระโดดข้างในต่อไปกันเนี่ผุพังเน่าเปือ่อยลงสู่ดินน้ำหลมไฟอะไร เ, ะเป็นที่ต้องการอันไหนคือสวยงาม เ, เราต้องพิจารณาดูให้ดีใชในเมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นหรือมั่นไม่ยึดมั่นร่างกาย ไม่ยึดมันร่างกายมันก็ต้องเห็นร่างกายคนอื่นจึงภายนอกมันก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไปหมดนะนี่แหละจิตใจที่จะหลุดพ้นจากอาสวะขีเล็ดนะเราต้องมองมองเห็นมองโลกทุกสิ่งทุกอย่างเห็นเป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษทั้งหมดอย่างที่หลวงปู่ล่าท่านพูดนะถ้าอย่างห้าทางว่าพวกเรายังเห็นโลกนี่ว่ามีความสุขเล็กๆน้อยๆ เท่าเท่าเม็ดงาเท่าขาลิ้นนเไงจิตใจมันยังไปติดอยู่จุดนั้นอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นโลกทั้งโลกเนี่ยหาความสุขไม่ได้เลยฮดูสิจุดไหนคือความสุขมีแต่อะไรจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นดูสิจุดไหนเในร่างกายของเราจุดไหนคือความสุขพิจารณาดูสิแต่พิจารณาดูให้ดีแล้วก็เห็นอย่างที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านบรรยายพูดให้ฟังนั้วนะเพ ร, รยาะนั้นในพวกเราคิดนะคิดพิจารณานะเรื่องสมาธิผมก็เคยพูดให้ฟังแล้วจะทำจิตใจให้สงบอย่างไรซะกอ่อนเมื่อจิตใจสงบผ่านความสงบแล้วจะพิจารณาส่วนนี้นะจะเห็นได้ชัดนะแต่หาว่าจิตใจของเราไม่เคยผ่านความสงบนะมันจะคิดเข้าไปมันก็ไม่ยอมรับเหมือนกันนะ่ะ อมันไม่ยอมหรอกมันมันสู้ครูมันสู้ครูค ร, ครูคือพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างหนึ่งกิเลสของเราเน่ยดันทดลังไปทางหนึ่งมันสู้ครูคือสู้ความจริงนะแต่ตามไม่จริงมันสู้ไปไม่ ไ, มได้หรอกในเมื่อเห็นตามความจริงแล้วกิเลสหน้าไหนตัวไหนล่ะเฮ้มันจะสู้ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราอทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านพูดตามความเป็นจริงฮะ ไม่ใช่มาพูดหลอกๆลเล่นๆนะพระนขอยพวกเราทุกท่านตั้งใจประพฤติธปฏิบัติธรรมนะต่อนื่ไปสุดท้ายปฏิโมก